จากในครั้งอุตตการเป็นพระพุทธเจ้าก่อนและพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ต่อมาในสมัยพระของพวกเรานี้จะเป็นพระอะไรก็ยังเรียกตายตัวไม่ได้ อ่าเป็นพระชอบบอกบัตรบอกเบอร์ก็จะเรียกไปตามตัวรับปัดพระเลยรับเสียครอกพระตะดอกครอกพระมีลิ้นยักษ์ยามดีตรงนี้ก็เริ่มแล้วตั้งแต่พระ ว่าต้ององค์สําเร็จหรือภูมิมีข้าภาคเจ้าท่านปฏิบัติตนของท่านอย่างไรจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและกลายเป็นสาวกพระอรหันต์พระสาวกอรหันต์ขึ้นมานั่นพระครั้งคุทธกาล พระศาสไหมของเรานี้เป็นพระศาสไหมใหม่มีทุกอย่างแม้ตนเองก็ยังไว้ใจตนเองไม่ได้ทั้งๆที่ตนของตนก็เป็นผู้ประกอบการด้วยกันกับพระพุทธกาลแต่ว่าการงานทุกชิ้นต้องออกจากความรู้สึกและความชอบ ควรจะเป็นไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยนั้นก็ยังเป็นปัญหาด้วยนั้นพระในเครื่องพุทธกาลกับครั้งสมัยทุกวันนี้จึงมีต่างกันในปฏิบัติธรรมดําเนินแม้จะอยู่ในวงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ตาม แต่โอวาทซึ่งเป็นสำคัญที่สุดคือโอวาทของกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบอยู่ที่หัวใจของเราทุกๆท่านเมื่อเรามีความใคร่หรือป่ายใจตกโอวาทซึ่งมีอยู่ในตนเองอันเป็นโอวาทที่จอมปลอมนี้แล้ว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 แล้วก็จักกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์อย่างโดยสิ้นเชิงคือสาวกอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าจะนิพพานนานหรือไม่นานไม่เป็นปัญหาอันใดกับท่านผู้บำเพ็ญตนทั้งปนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมที่ประจักษ์ใจของตน เป็นลําดับลําดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จุดหมายประทางแห่งองค์สมเด็จพระภูมิภพภาคตะวันออกตรงประธานเอาไว้เราจงกลับตินใจของเราว่าการน้อมตนไปสู่โอวาทใดโอวาทที่สําคัญที่สุดซึ่งทรัพสอนตนทั้งตนอยู่ตลอดเวลา คือวาทะที่เกิดมาจากวตตครูไหนจะสอนหรือไม่สอนก็ตามธรรมชาตินี้เป็นครูโดยนำทางตนเองเพราะความเที่ยวทานในทางนี้มาไม่รู้กี่กัปกี่กัลป์ความเกิดเกิดตายๆเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถทัดท้านกันได้ว่ามีมากน้อยต่างกัน ไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นด้วยตานึ่งว่าคนนั้นมีมากคนนี้มีน้อยพอที่จะมาเทียบเคียงหรือวัดเหลี่ยมกันได้ถ้าเราเป็นผู้มุ่งหวังจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าแล้วต้องเป็นผู้หนักในพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมา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 เรเรเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นความเป็นของเงาซึ่งเป็นตัวหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีด้วยแล้วแม้เราจะเปล่งวาจาว่าเป็นจิตของพระภาคกดก็ตักแต่คําพูดเท่านั้นไม่ปรากฏผลอันใดที่จะให้เป็นความสงหวังตามคําพูดของเงาว่าเป็นจิตของพระภาคกดเจ้ายิ่งทุกวันนี้ไปในที่ไหนไหน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 มาเป็นเครื่องกดผีบังคับหรือเป็นคือสอนตนนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เสียหายถึงกับลืมพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและเห็นพระโอวาททั้งหมดกลายเป็นภาระติดต่อตนเองด้วยแล้วกลายเป็นภาระติดต่อตนรวมกลายเป็นภาระติดต่อโลกทั่วทั้งฤทธิ์แล ถ้าที่จริงพระวาทธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาทที่จะระงับดับไฟความรุ่มร้อนภายในใจของตนที่มีอยู่ด้วยกันอย่างนั้นให้ระงับดับไปตามแต่ความสามารถของผู้มุ่งต่อพระโอวาทธรรมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติตามเมื่อได้สดับ เรียบร้อยแล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้ระงับดาบได้ซึ่งกองเคิงที่เผาผลาญอยู่ภายในจิตใจของตนของบางอย่างเป็นคุณสําหรับโลกแต่กลายเป็นภัยสําหรับนักบวชขอให้เราทั้งหลายได้คํานึงถึงเรื่องตัวของเราและพึงทํานึงเสมอมารักมีความหมายแค่ไหน คำว่าพระก็แปลว่าพระเกิดถ้าเป็นเรื่องของคนก็แปลว่าคนประเสริฐถ้าแยกออกไปสู่การงานก็แปลว่าการงานที่จะเป็นไปเพื่อความประเสริฐเพื่อให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐเราต้องพิจารณาทั้งหมดพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระมาโดยลําดับด้วยปฏิปทา ที่ดำเนินตามตัวขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าปราดไว้ครอบแล้วการปฏิปทาที่ข้อดำเนินทุกข์ทุกขอาการที่เคลื่อนไหวของจิตพระตถาคตเจ้าในทั้งนั้นปรากฏว่าดำเนินไปโดยชอบสมกับคําว่าตัวขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้ผลที่ได้รับจึงปรากฏตั้งแต่ต้น ว่าท่านองค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นั้นสําเร็จพระอริยทค่ะองค์นั้นสําเร็จพระอนาคหะองค์นั้นสําเร็จพระอรหันต์อยู่ในที่นั้นๆที่ผลที่สาวกทั้งหลายได้รับจากข้อปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากสัมมคขาตธรรมกลายเป็นนิยานิกธรรมต่อตนเองยังผู้ผู้ฝึกปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเหตุนี้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 เป็นนักบวชแต่เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพระอีกพระปูนไปหมดเป็นพระหนังสือผิดเป็นพระวิทยุเป็นพระถุรคตเป็นพระบัดพระเบิกเป็นพระกระเดาะเคราะกระเดาะกรรมเป็นพระผู้ล้างบาปบาป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 มั่นคงในทางที่เสียหายไปเสียโดยมากยกตัวอย่างใกล้ๆเหมือนอย่างวิทยุเมื่อได้ฟังแล้วต้องปิดไกลยิ่งโทรทัศน์ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นด้วยมีโลกให้เป็นหลักดูทั้งวันทั้งคืนเค้าก็ไม่มีความสิ้นหายท่อเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วต้องมีความตรอมเสื่อมเสียลงเป็นลําดับการที่เขาจะปิด อาจารย์มีรายการบอกเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นอย่างทุกๆวันเราผู้ที่มีหูฟังยิ่งกว่าพระศาสดาธรรมสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องฝังลงที่จิตใจเมื่อเขาประกาศรายการให้ฟังพอถึงเวลตวนถึงเวลาที่เขาจะประกาศตามรายการนั้นเท่านั้น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 นอกจากจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของประชาชนเท่านั้นมันเห็นมีอันนั้นขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชทรงไว้ซึ่งกาถาวพรรคอันเป็นเกียรติมาจากองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทําให้เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องพระกับญาติโยมไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันก็ผ้าเหลือง เนื่องเอลันตาน่ามีถมไปเพียงแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเป็นสิ่งสําเร็จประโยชน์แล้วในร้านเจ็ดมีมากเท่าไหร่เขาไม่จําเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความเลื่อมใสต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเทิด เพราะพระมีลงดีเจละครอยู่ในอยู่ในกุฏิคืออยู่ในโทรทัศน์อืมมีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในกุฏิคือวิทยุมีข่าวอยู่ในกุฏิเครื่องทั้งสึกถึงแล้วเรานี้มีถมไปในร้านตลาดเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่จะเอารถไปไปบรรทุกเข้ามารถไม่เป็นเรื่องที่จะให้บรรณาสรรททานทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่เลื่องไสได้ จากกิจการของพระที่ทําโดยวิธีนี้แล้วจะเป็นที่ไว้วางใจของพระองค์เจ้าที่ตรงไหนเมื่อเราติดปฏิญญาณตนว่าเป็นศิษย์พระตถาคตโดยเหตุแค่นี้แล้วนํากายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่แค่นี้แล้วจะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรภาพ ธรรมเค้ามีเหตุอายุเค้ามีนางสุพินนางสุเทินเค้ามีลงนิเกณฑ์ลงน้ำมำลงมัดลงมวยมีหมดครบหมดไม่เป็นของจำเป็นที่เขาจะต้องพยายามแบกล้างเข้ามากรุวัดโดยสนับสนุนเวลาทั้งเงินทองสนับสนุนทุกสิ่งทุกประการเข้ามาวัดเพื่อจะกราบว่าพระซึ่งเป็นเพศที่เย็น และความประสพฤติปฏิบัติเป็นที่กลับจิตกลับใจเป็นที่เคารพเชื่อมใสเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ดับทุกข์กับร้อนสําหรับผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจให้ได้จืดจางหรือหายไปได้เพราะอํานาจแห่งเทศของพระข้อปฏิบัติของพระโอวาทของพระที่กล่าวมาด้วยหลักธรรมที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนอย่างนั้นด้วย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 และนมัสการพระองค์เค้าก็ยังได้รับความแท่มทื้นเบิกบานในจิตใจโดยมีความรู้สึกในใจของเขาว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งส่วนกายทั้งส่วนวาจาทั้งใจด้วยและได้เข้านมัสการกราบกราบว่าพระองค์ผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติมุตติญาณฐาสนะ ไม่ได้เขาจะไม่ได้สมบัติอย่างสาวกหรือพระพุทธเจ้าได้ก็ตามเพียงเขาเข้ามาพึ่งพิงร่มเงาเท่านั้นเขาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดเราแล้วเห็นตั้งแต่วิทยุเห็นแต่โทรทัศน์เห็นแต่หนังสือพิมพ์หนังสือเถิดพูดดอกคําใดเป็นการบ้านการเมืองพูดเป็นโลกเป็นท้องถิ่นไปหมดกิริยาที่ทําทั้งหมดเป็นอาการของคณาวาช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 พระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นบุญจักรเขตเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นอย่างองค์ของท่านด้วยพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไรแล้วจะทําความร่มเย็นให้โลกได้แค่ไหนเมื่อตนของตนก็มีความร้อนเพื่อการตอดแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเวลา ก็ยังคํานึงให้มากนี่น่ะเรื่องของศาสนาล่มจมล่มจมในนักบวชเป็นเบอร์ 1 เมื่อเขาจะว่ายังไงก็ก็ลําบากก็เห็นแก่พระภาคากาวพัสเมื่อทําไปกินไปเคยไปก็กลายเป็นเรื่องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าใครจะตําหนิกี่ฉบับ ในความประพฤติของก่อนเพราะความเคยกินสังโยชน์ที่หัวใจเลยกลายเป็นโรคภยเสียทั้งดวงในใจดวงนั้นนี่เราต้องทิดดูใจของเราเพียงเราจะก้าวเข้าไปสู่วัดหาครูบาอาจารย์องค์นั้นๆก่อนจะกล้าเข้าไปเราต้องคิดจนเต็มใจเหมือนกันว่าควรจะก้าวเข้าไปหาอาจารย์องค์ไหน เมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างไรควรจะให้ความล่มเย็นหรืออุบายต่างๆพอเป็นกําลังเพิ่มปิดใจของเราถ้าได้รับความเชื่อความลังไส้มากน้อยเท่าไหร่เราต้องคํานึงแล้วทุกๆคนคิดพานใจตรองดูอย่างชัดเจนดึงแน่วแน่ภายในจิตใจแล้วตัดสินใจเข้ามาเพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้ทีนี้โลก มีความรู้สึกคือหัวใจอันเดียวกันร้อนใครก็ต้องทนเย็นก็ต้องทนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสถานที่เย็นหรือบุคคลที่เย็นจะไม่ทราบได้อย่างไรและในขณะเดียวกันบุคคลที่ร้อนสถานที่ร้อนเค้าก็ต้องทนหัวใจของเรามันร้อนหน่อยยังพยายามจะแก้ไขให้เย็นเราก็ยังทราบในหัวใจของเราหัวใจของประชาชนทุกๆคน ต้องทราบในความรู้สึกของตนเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วพยายามเฝาะไปแสวงหาสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในทางความสุขเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ส่วนนั้นเขาแสวงหาของเขาเองโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระแต่ส่วนที่จะนําธรรมะไปปกครองบ้านเรือนปกครองครอบครัวหรือสถานที่การงานองค์สังคมนั่นนั้นต้องอาศัยธรรมะ เป็นเครื่องกกข้องแล้วเป็นพุ่มมุ่งต่อความทุกข์โดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วพอย่องเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นของจําเป็นอย่างยิ่งขึ้นมายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใครจะสามารถให้ความล่มเย็นในตัวเองได้ด้วยแล้วจะสามารถให้ความล่มเย็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นอันดับที่ 2 ได้ด้วย นอกจากจะทําตัวของเราให้มีความร่มเย็นในใจของเราแล้วจะให้ความร่มร่มเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุอื่นเป็นอันมากอีกหลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทําความร่มเย็นในพระฐัดของพระองค์เองแล้วก็ทําความร่มเย็นแก่พุทธบุตรทุกท่านหลายตลอดจนกระทั่งถึงวันปุพพะสาวกทั้งหลายก็ทําหน้าที่ให้ความร่มเย็น แก่ประชาชนทั้งหลายคลายทอดกันมาเป็นลําดับลําดับนับตั้งแต่วันท่านได้รับความล่มเย็นในใจของท่านจากธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยข้อปฏิบัติของตนเองเราจะให้ความล่มเย็นในจิตใจของเราด้วยอะไรนอกจากหลักธรรมที่กล่าวแล้วนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดเป็นเครื่องล่มเย็นสําหรับหัวใจของพระอะ นั่นก็มีทําอันตรายที่จะให้ความล้มเหลวแก่โลกนอกไปจากความล้มเหลวซึ่งมีอยู่ภายในใจของเรานั้นเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติของเราแล้วทายทอดให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์ความล้มเหลวแล้วมาอาศัยพึ่งพิงกับท่านจะเป็นการเป็นข่าวประกาศพิชิตระยะหนึ่งก็ตามจะให้นอกไปจากโอวาทคําสอนคําพระพุทธเจ้านี้ไม่มี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 เหลือจะหาว่าพระศาสนานี้เหลี่ยมอะไรนี้เหลี่ยมถ้าพูดถึงเรื่องถึงเรื่องอริยะก็จะทําทั้ง 4 มีอยู่หรือไม่ในตัวของเราในกายในใจของเรามีบกข้ออะไรท่านบอกให้กําหนดดูทุกข์พิจารณาเรื่องทุกข์จักเป็นหินณปัญญาให้กลมกล้าสามารถจะตัดกิเลสตัวลุ่มหลงอันสืบเนื่องมาจากตัววิถีได้นี่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 ตัวฆาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างตายตัวขอให้พากันสำนึกในตัวซ้ําไม่เช่นนั้นจะเสียวันเสียเวลาเสียชีวิตจิตใจไปวันเล็กวันละน้อยตายไปแล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วหมดราคาแม้อวัยวะจะมีอยู่ยังไม่แตกสลาย จากกันไปก็ตามเมื่อความรู้สึกได้ออกจากกลางนี้แล้วเขาเรียกพระคนตายกันทั้งนั้นแล้วจะทําประโยชน์อันใดได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพระนิพพานไม่ปรากฏมีในคนตายและปฏิปทาทุกข้อพระองค์เจ้าไม่ทรงประทานให้คนตายประทานไว้สําหรับคนเป็นที่มีความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์เท่านั้น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 ได้ปรากฏขึ้นจากความควนกระแสแห่งโลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากกามกระแสแห่งโลกเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งลอยตามกระแสแห่งโลกอยู่ณบัดนี้กระแสแห่งโลกเพิ่งทราบว่าสิ่งใดที่เป็นค่าศึกต่อสติไกรเป็นผู้ชอบเป็นผู้สงวนนักใคร่สิ่งน้ํายิ่งนัก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 ให้เป็นไฟเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีเรียกว่าใจหมุนไปตามกระแสของโลกแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจของตนของตนแต่เราอย่าไปสําคัญว่าโลกนั้นได้เป็นฆาตศึกต่อเราอะไรทั้งหมดไม่เคยเป็นฆาตศึกต่อใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองเป็นฆาตศึกต่อตนเองทุกความเคลื่อนอ่ะเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจ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 ความยุ่งเหยิงทั้งหลายท่านสอนให้ไปอยู่ให้ไปบำเพ็ญในสถานที่นั้นๆนี่สาวกทั้งหลายเดินตามพระองค์เจ้าเดินตามวิธีนี้อยู่ด้วยความกล้าหาญอยู่ด้วยความไม่อะไรในจิตวิจิตใจเป็นก็มอบกับพระธรรมคือคติธรรมนาจะตายก็มอบกับหลักกวดขัดธรรมดําเนินตามธรรมที่พระองค์เจ้าทรงกําหนดไม่ครอบแล คืออนิยานนี่ก็ทํานําตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นสาวกท่านเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินหมักแบบถอยหลังเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเดินถอยหลังเป็นอย่างไรเห็นด้วยตากับรูปกระทบกันก็ถอยเพื่อความปิดผันหูกับเสียงกระทบกันก็ถอยเพื่อต่อมากู่ความผิดผันปืนรถ เครื่องสัมผัสทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสเข้าในอายตนะภายในคือจมูกปิ้นกายและธัมมารมณ์กระทบกับกายถอยเข้ามาสู่ความท้อแท้อ่อนแอถอยเข้ามาสู่ความยินดียินร้ายถอยเข้ามาสู่ความปิดทันในตนเองไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นวิวัตะ แก้ไขตนเองให้พ้นจากคงจักรที่หมุนตัวเองนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเดินไปเพื่อความกล้าหาญก้าวหน้าไปเสมอพวกเราตรงกันข้ามกับถอยหลังเสมอไปสิ่งใดที่จะมีเป็นภัยต่อตนเองแล้วชอบคิดชอบผ่านชอบปรุงชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆนี้พึงทราบว่าเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้า เนี้ยจะหันหน้าไปก็ชื่อว่าเดินถอยหลังเพราะจิตไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านี่ธรรม 80,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและประทานให้พวกเราทั้งหลายได้สดับรับกฎสุนัตทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความเห็นแก่ปากแก่ท้อง มันเกิดขึ้นมาแก่ความอาลัยในชีวิตจิตใจแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอาฆาตน่าเรืองเกิดขึ้นมาด้วยความสลดเป็นสลดตายตอหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไปจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้นี้ขอให้เราได้นำแนวความพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินดำเนินอย่างได่เข้ามาประดิษฐานไว้ที่หัวใจจะสมว่าพุทธังสังฆังคัจฉามิ พระพุทธเจ้าเป็นปรณของหนอพี่แท้จริงได้อีกธรรมพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างไรเราก็ต้องดําเนินถามว่าท่านดําเนินอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์นิพพานพ้นจากแก่งกังดาลนี้ไปเสียได้ไม่หมุนเวียนเกิดเวียนตายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่านเดินอย่างไรเราต้องนํามาเป็น พอเปรียบเียงหรือเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมฆะบวชถือเพศแห่งนักบวชอาศัยความเป็นขอทานกับชาวบ้านเค้ากินแล้วกลายเป็นตัวกาฝากขึ้นภายในตัวเองหรือเกาะชาวบ้านอย่างที่บางคนเค้าว่านักบวชเป็นกาฝากเกาะชาวบ้านก็กินนี้ไม่ใช่เป็นการผิดเสียทีเดียว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 ความประพฤติทั้งหมดกลายเป็นโรคเสียขึ้นไม่มีความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมคำสอนคำประพฤติเจ้าแต่อาศัยค่าบ้านเค้ามากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหาศาลาอยู่ในวัดก็เค้าสร้างให้ขึ้นให้อยู่พุทธิทุกหลังก็เป็นญาติญาติโยมเค้าสร้างขึ้นให้อยู่แต่แล้วก็ทํางานหน้าที่เป็นเรื่องโลกไปเสียให้ผิดจากหลักแห่งสมณะซึ่งควรจะทําตามหน้าที่ของสมณะตามแบบที่องค์สมเด็จพระภูมิก็พระเจ้าทรงประทานไว้ นี่กลายเป็นอื่นไปเสียเช่นนี้เรียกว่าพระกาปะทําบ้านทําเมืองให้อรมจมไปได้และทําพระศาสนาวัดวาอาวาสตลอดถึงหมู่เพื่อนให้ล่มจมไปได้เช่นเดียวกันนี่ถ้าเป็นพระประเภทนี้แม้เขาจะยกโทษว่าเป็นพระกาปะเป็นผู้เกาะชาวบ้านกินนั้นก็ยกให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอย่างนี้สาวกทั้งหลายไม่ได้ทําอย่างนี้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 ทำปกหลายท่านดำเนินอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระกาปะเป็นพระบุญญกิจของโลกเป็นเนื้อนาบุญของท่านด้วยเป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่วมเจนเป็นสุขด้วยใครจะมีข้อคล่อมใจไปปรึกษาอักธรรมจะเป็นข้อลีลับจะเป็นทางโลกทางบ้านทางเรือนทางครอบครัวของตนก็ตามเกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกันได้เมื่อนำเรื่องเหล่านี้ ซึ่งเป็นข้อค้องใจอันตนของตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเรียนหรือไปศึกษาจากท่านท่านอาจจะให้อุบายต่างๆมาเป็นเครื่องเครื่องผยุงน้ําใจแล้วแล้วปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านสามารถที่ยังสิ่งที่เศร้าหมองให้กลับกลายเป็นของดีขึ้นมาถ้าได้อีกต่อไปนี่จึงเรียกว่าพระโอวาทนั้นเป็นคุณแก่โลก โคดายซึ่งเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติตามตนประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทก็กลายเป็นพระคุณจักคุณจักเหตุขึ้นมาให้โลกเขาได้กราบไหว้บูชาให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้รับความสุขความเจริญให้โลกเขาได้บุญได้กุศลให้โลกเขาได้รับความเฉลียวฉลาดมีความอบอุ่นวัดมีมากเท่าไหร่โลกก็มีความร่มเย็นมากพระมีมากเท่าไหร่ โลกก็มีความลุ่มเย็นมากเพราะเหตุใดก็เหมือนกันกับว่าวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยหรืออาหารการบริโภคมีมากเท่าไหร่ก็ทําความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่ขาดเครียดกันดาลนี่แต่ถ้าตรงกันข้ามมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นภัยต่อโลกไม่ใช่คําว่าพระคือนักปวดเท่านี้จะเป็นคุณต่อโลกโดยแท้เดียวก็หาไม่ยังกลายเป็น โทษหรือกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นภหัสต่อโลกก็ยังมียังที่เราได้เห็นอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกๆวันนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ด้วยหูด้วยตาของตนเองนี่คือพระที่เป็นภหัสต่อโลกอาศัยข้าวเข้ามากินแล้วยังกลับเป็นประตูต่อชาติกลับเป็นศัตรูต่อพระศาสนากลับเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์และพระธรรมวินัย เป็นไปได้เพราะเหตุนี้นี่คือพระเป็นภาคปกไม่ใช่เป็นบุญญเกษตของพระหรือไม่ใช่เป็นบุญญเกษตของญาติโยมในบัดนี้เราทั้งหลายได้มาบวชให้พระศาสนามีความมุ่งหน้าจะเป็นบุญญเกษตของตนเมื่อต้องการให้เป็นบุญญเกษตของตนเพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็นบุญญเกษตของชาติบ้านเมืองของพระศาสนา ของประชาชนคุณบุคคลสุดท้ายภายหลังต่อต่อกันไปให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองได้แล้วซ้ายจงเป็นผู้มีความสนใจไหวต่อข้อวัดปฏิบัติอย่ามีความเกียจคร้านจะเห็นโลกซึ่งที่จะเป็นฆ่าสึกต่อตัวของตัวเองและเป็นฆ่าสึกต่อโลกในส่วนรวมแล้วว่าเป็นของหลี่จงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปหน้าที่การงานอันใดถ้าผิดแปรจากความเป็นธรรมนะ ให้รีบงดเว้นทันทีดําเนินตนของตนเป็นไปในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคําสอนคําของพระพุทธเจ้าแม้โลกเขาไม่ได้บวชเหมือนอย่างเราเขาก็จะได้คอยได้รับความล่มเย็นเหมือนอย่างเราได้รับความล่มเย็นจากโลกอยู่ทุกๆวันนี้พุทธิสถานที่พักที่อาศัยได้ละเป็นมาจากโลกเป็นมาจากชาวบ้านชาวเมืองจตุปัจจัยทุกๆทิศที่ได้ครอบตัวอยู่มีชีวิตอยู่ถึงจนกระทั่งถึงมรณ์ วันแล้วตั้งแต่ได้มาจากญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้อย่างนี้แล้วเราจะสามารถเป็นการตอบแทนโลกได้โดยวิธีใดเราไม่ทําร้ายทํานาแต่เราก็นาของเราคือบุญบารมีในตัวของเราเองโลกเค้าไม่เป็นบุญนักเค้าไม่บวชในพระศาสนาเค้าก็ต้องอาศัยเราได้ในเมื่อเรามีบุญบารมีภายในตัวของเราเช่นเดียวกับเค้าเราอาศัยเค้าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคฤหัสถ์เค้าก็ให้ความร่มเย็นแก่เราได้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 ใจกระเปื้อนอยู่ตลอดเวลาความกระเปื้อนของใจได้แก่ความเขย่าตนของตนเสมอแม้ว่าน้ําถ้าได้รับถูกความเขย่าเขย่าเขย่าอยู่เสมอแล้วจะใสเท่าไหร่ก็ต้องขุ่นมีใจของเราธรรมชาติก็ยิ่งขุ่นมัวอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเขย่าเขย่าทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายกระทบกันกับแผ่นดินคือรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัส เมื่อคลุกคล้ากันเข้าแล้วก็กลายเป็นน้ําขุ่นขึ้นมานี่เมื่อน้ํามันขุ่นขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกล้วนล้วนแล้วจะให้เป็นธรรมคือความสงบภพเงียบเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในใจของตนได้อย่างไรเล่านี่ถ้าใจของเราเป็นธรรมธรรมตามพระองค์ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฝึกหัดหรือฝึกผลทรมานจิตใจ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 สาวกท่านเป็นธรรมท่านดำเนินตามธรรมอย่างนี้เราต้องการเป็นธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเคยได้ปรากฏผลในพระองค์เจ้าและสาวกมาแล้วเมื่อเราดำเนินตามพระโอวาทท่านแล้วจะเป็นพิษต่อเรามีอย่างที่ไหนไม่มีในที่ไหนไหนและไม่มีในคําผีใดด้วยและยังจะไม่มีในในการต่อไปด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยเป็นธรรมทั้งแท้แล้วเราจักค่อย กระลายตัวเป็นธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นสมาธิเป็นทั้งชั้นขึ้นไปตามอำนาจแห่งความกดขี่บังคับตนเองแล้วจะกลายเป็นสมาธิที่ละเอียดปัญญาพิจารณาไตร่กลองในความเป็นอยู่ของตนในอายตนะทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้ทัศน์ดูทั้งภายในดูทั้งทั้งภายนอก ในตัวแห่งกายนี้มีอันใดซึ่งเป็นตัวอกราวแฝงหรือคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าขึ้นมามีมั้ยเราต้องดูให้ดีแล้วมีส่วนใดที่จะเป็นความฝูกฝืนจากธรรมพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าทุกขังมีมั้ยมีธรรมชาติใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถามว่าสามารถที่จะคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้ามีมั้ยในตะกะตกนการของเราทุกๆทิ้นคนดูมันก็เต็มไปด้วยใจรัก มีจังจะทำทั้งแท่งบ้านเมื่อสกับเรียบจ можете考えて คืนว่างeterm Gore สดีรอของธุ veto currently สัดการ ayahu ว after 3 e 1. 19 Miussen bis 5 ที่จะบันเถาบางไปได้เพราะไม่มีน้ําที่ไหนจะมาดับไฟตรงนี้ได้นอกจากน้ําธรรมะโอสธรรมะโอสถเท่านั้นคือเราประพฤติปฏิบัติตามที่พระโอวาททําของของพระพุทธเจ้าจึงจะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราขอให้พิจารณาอย่างนี้เลื่อมพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาจะชัดเหมือนอย่าง ตาก็เราเห็นนี้มันยังไม่เป็นปัญหาอะไรให้ชัดด้วยปัญญาเป็นของสําคัญดูทุกข์ก็ให้มันชัดครุกเต็มอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายด้วยภายในใจด้วยทําไมจะไม่เห็นทุกข์ก็เราเป็นคนทุกข์เองเราดูทุกข์ของเราจะไม่เห็นอย่างไรทุกข์นี้อยู่พระพุทธเจ้าดูทําไมเห็นแต่เราดูทําไมจะไม่เห็นความรู้สึกเป็นอันเดียวกันความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตะเคือนหมดทั้งตัวของเราอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนทําไมเราจะไม่รู้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 นี่เวทนาก็คือตรารักษ์ดูให้ชัดไม่เพียงแต่ว่ารูปทั้งหมดนี้เป็นตรารักษ์เวทนาก็เป็นตรารักษ์คือในทางทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆของเวทนาเป็นตรารักษ์ทั้งนั้นปัญญาก็เป็นตรารักษ์สังขารก็เป็นตรารักษ์แต่ละอย่างละอย่างเป็นตรารักษ์อย่างสมบูรณ์พิจารณาให้มันชัดเมื่อปัญญาได้ตรวจสอบค้นคว้าอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับ รักษาใจของตนอยู่เสมอมีปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นอยู่ตลอดเวลาของที่มีอยู่นี้ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยพื้นฐานใจของเราจะเอาอะไรปิดปังนี้ลับไม่ได้เลยอํานาจของปัญญาแพงตะลุไปหมดตลอดซึ่งโลกธาตุไม่มีอันใดสามารถที่จะปิดบังปัญญานี้ได้ถึงแม้นายจะมีอิทธิทาศรัทธาอานุภาพขนาดไหนก็ตามจะสู้อํานาจของปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้สามารถแทงตลอดทะลุ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 เราจะผิดพลาดจากหลักความจริงหรือจากผลที่แท้จริงไปได้อย่างไรจะไม่ผิดถ้าหากว่าดําเนินไปตามตั่วขาตธรรมแล้วผลจะไม่เป็นนิยามนี้กระทํานั้นธรรมคําก่อนของบุรุษเฒ่าจะเรียกว่าตั่วขาตธรรมไปไม่ได้ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราต้องเป็นผู้นักวิภาคมีการตั้งสติเสมอไป หน้าที่ของเรามีเท่านี้การทําได้ทํานาทํารั่วทําสวนซื้อถูกขายแพงที่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องของโลกต้องยอมยกให้โลกเราอย่าไปเกี่ยวข้องเราอย่าไปเสียดายเรื่องของเราแล้วไม่ยอมให้อันใดมากดขี่บังคับขี้เลียดตัณหาตัวใดบังคับออกให้หมดอย่าให้มาเกี่ยวข้องให้พิจารณาละตามที่ว่าสิจะไม่รู้ยังไงเรารูปทั้งกองเต็มอยู่ในตัวของเรากายอันนี้ชัดเจนฉันใด สภาพภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องชักเจนฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปัญญายะอย่างลงไปในแล้วจะไม่เห็นอย่างไรเล่าเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะทนถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวอย่างไรน่ะแล้วจะไม่เห็นกระแสของกิเลสซึ่งพลุกพ่านในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจร อะไรแล้วเป็นตัวข้าึกพิจารณาที่แรกก็รูปเป็นข้าึกเวทนาทั้งเอ่อรูปเสียงปิ่นรถเครื่องสัมผัสเป็นข้าึกพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสภาพนั้นก็จริงอยู่แค่นั้นปัญญาเห็นทั้งหน้าถอยตัวเข้ามาพินิจารณาในรูปเวทนาสัญญาของสังขารทั้งหมดวิญญาณทั้งต้นว่าเป็นตัวข้าึกกับตนอนพิจารณาลงไปอีกถึงเห็นพระฤทธิ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาวะซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นไม่เห็นปิดกันแต่อย่างไรนี่อะไรแล้วเป็นตัวจุด อะไรเป็นผู้ควาอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นผู้หลงอะไรเป็นผู้หมุนไปตามหมู่เวทนาทั้งหลายทั้งสันยันต์และถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนไม่มีอะไรนอกจากอวิชชาดวงเดียวคือผู้รู้รู้นี้เท่านั้นนี่และธรรมชาติอันนี้น่ะจะเห็นได้ด้วยปัญญาของเราที่พิจารณาอย่างนี้ทั้งตาทั้งโลกทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องปกบินปกปิดธรรมชาติอันนี้ด้วยปัญญาทั้งดูรูปให้ชัดเวทเสียงฝืนรถเครื่องสัมผัสให้ชัด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 เป็นตรายณัติเต็มตัวเหมือนกันนั่นเพราะงั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวคงกับได้จึงเป็นโลกได้ถ้าไม่เป็นตรายณัติจะเป็นโลกนี้จะเป็นสมมุติไม่ได้ต้องเป็นวิวิมุตตินี่ธรรมชาติอันนี้จึงจัดว่าเป็นสมมุติเพราะธรรมชาตินี้เป็นตรายณัติคนดูให้จริงกำหนดตัวให้มันชัดผู้รู้มันเกิดอดีตก่อนตัวเกิดขึ้นมาจากไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากผู้เท่านั้นปัญญาอย่างลงไปพิจารณาไป เรื่องของปัญญาโดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของตัวมีมากมีน้อยเท่าไหร่คิดถูกดีชั่วจะรู้หมดหยาดละเอียดจนิดต่อจะทนต่อปัญญาไม่ได้แล้วจะปิดบังปัญญาไม่ได้พ้นลงไปถ้ามันเห็นชัดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องใดทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่ผู้รู้นั้นแล้วจะเห็นว่าผู้รู้อันนั้นคือตัวกิเลสชัดชัดตัวคงจักรตัวสมมุติชัดชัด ดวงจันทร์ถึงว่าผู้รู้นี้ได้ถูกทําลายไปด้วยอํานาจของปัญญาแล้วจึงจะสลายตัวลงไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละธรรมชาติที่เป็นวิมุตติจึงจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยไม่มีใครเสร็จสรรค์นั่นเรียกว่าทําหมดปัญหาเรียกว่าทําเปิดเผยอือเราถากถางสิ่งทั้งหลาย ก็ไปโดยลําดับๆก็เพื่อจะเห็นธรรมชาติที่ปกปิดกําบังสิ่งที่อุปการะไว้เมื่อภาคขางเป็นลําดับลําดับด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงเห็นสภาพมหาโจรคือเจ้าของมัจจจักรได้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็ถูกทําลายลงไปอีกเช่นเดียวกันหมดแล้วอะไรอีกที่ เมื่อธรรมชาติที่เหล่านี้หมดแล้วใครที่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้หมดไปใครที่รู้ว่าวัฏจักรคือตัวอวิชชานี้หมดไปจิ้นไปดับไปผู้รู้นั่นเองท่านเรียกว่ามีวัฏะน่ะเราจะมาเราเป็นศีตพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าก็ตามเป็นศีตธากดหรือไม่ธากดไม่เป็นมหา ไม่ขึ้นอยู่กับคําพูดคําจาคํานําลิคิดออกเฉยๆแต่ขึ้นในหลักธรรมชาติที่แท้จริงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและตามหลักเหตุผลเห็นอย่างพระพุทธเจ้าว่าได้ตรัสไว้ว่าใครผู้ใดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอริยสัจกตไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเห็นด้วยคําพูดเฉยๆต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติด้วยต้องเห็นด้วยความรู้ความฉลาดทางด้านปัญญาด้วยเห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วยแล้วก็เป็นถิดเข้ามาอริยสัจเจ้า แล้วเห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระตถาคตเจ้าด้วยธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องพิพเกณฑ์เป็นสักขิพยานได้อย่างชัดเจนนี่ขอให้พากันดําเนินตามทางที่ได้อธิบายมาแล้วนี้คําที่ว่าวิมุตตินิพพานท่านก็ไม่ต้องถามที่ตรงไหนธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเช่นเดียวกันกับพระอวากิทัปพ์องค์เจ้าทรงวางไว้ ขอให้ดําเนินแบบปลายตัวก็เป็นสําหรับตายเข้าป่ะธรรมะทั้งล้วนค่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นของใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูกขังเป็นส่วนของใครของเราขอแต่ว่าให้ดําเนินตามตรอกขาธรรมธรรมะนิญาณนี่ก็ธรรมหรือตนของตนออกจากมตจักรจะเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ได้รับผลคือความบุพเพ การแสดงธรรมเทศนาแสดงธรรมคําสอนของพระปริเจ้าเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันอยู่เป็นหลายท่านในอกและได้เรียกโชคได้มาจากสถานที่ต่างๆได้มารวมกันวันนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงได้แสดงธรรมในฐานะว่าเป็นกันเองแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนําไปที่ที่เจริญน่ะและปฏิบัติตนต่อตนเองด้วยความเป็นบุญนักเหตุของตน ต่อจากนั้นไปก็จะเป็นบุญญเกศของมรรดาประชาชนทั้งหลายให้รับความร่มเย็นจะเป็นที่พึ่งปิดพึ่งใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ประชาชนทั้งหลายได้ในเมื่อเราทําตัวของเราให้เป็นบุญญเกศและจงเป็นผู้มีความมรึกถึงคําว่าบุญญเกศของตนนี้เป็นข้อที่ 1 และบุญญเกศของโลกจะเป็นข้อที่ 2 เกิดขึ้นมาในบุญญเกศอันนั้นโดยไม่ต้องสงสัยแนวอถาฌานพระธรรมเจตนานี้ ขอบรรยายนุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิก็ภาคเจ้าพร้อมทั้งคือธรรมนิพพานสงจึงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสะดวกการสะบัดใจทั้งปฏิปทาซึ่งดําเนินเป็นไปตามพระวาจาคําสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงจุดมหาปรารถนาคือแดนแห่งนิพพุตทนไปได้โดยเดียรกันทุกๆท่านเธอ